ได้อ่าเรื่องราวของแวดวงนักธุรกิจพวกซ e o บริษัทใหญ่ๆของโลกอันนี้พวกว่านี่จำนวนมากเลยนะเรียกว่า ก9 0ที่เป็นซี o อที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเนี่ยควนี้ตื่นเช้ามากจะได้ว่าตื่นเช้าก็ไม่ถูกนะเพราะว่าเขาตื่นก่อนนะพาดจิตขึ้นตื่นก่อนนานมาก อย่างเช่น CEO ของเป๊ปซี่นี่ตีสก็ตื่นแล้ว CEO อของดิสนีย์ก็ประมาณตื่นตีสครึ่งตื่นตีหาครึ่งนี่ก็ถือว่านอนแบบอุตตุแล้วนะถือว่าสบายมากสบายเกินไปตื่นตีห้าครึ่งไม่ต้องพูดถึงคนที่ อยากจะตื่นนะหกโมงเจดโมงนี้ไม่หายยากมากถ่าตื่นเช้ามาอย่างแรกที่เขาทำก็คือออกกำลังกาย CEO ของ a อ p l e นี่ตีห้านี่ก็ไปอยู่ที่โรงยิมแล้ว พวกนี้ก็ให้ความสำคัญการตื่นเชา้าและการออกกำลังกายมากเรียกว่าใช้ชีวิตเหมือนกับทหารก็ว่าได้คือมีวินัยมากเวลาพูดถึงเอาักีกุรกิซ c โอเราก็นึกถึงเศรษฐีแล้วก็พรอย น, นี่ไปถึงว่านี่ก็มีที่สุขสบาย มีสิ่งอำนวยความสุดกครบครนันมีสิ่งที่ช่วยปลเปิดกิเลสได้มากมายาเป็นภาพที่เรียกว่าตรงข้ากับ น, นักปฏิบัติธรรมที่อยู่อย่างสมถะเรียกง่ายแต่ว่าดูการใช้ชีวิตของพวกซีโอเหล่านี้ บางอย่างก็นักปฏิบัติธรรมก็ต้องอายนะเช่นตื่นมาตีสามเพิ่งตีสี่นักปฏิบัติธรรมหลายคนจำนวนมากก็ไม่สามารถจะตื่นหรือไม่ได้ตื่นเช้าขนาดนั้น พวกที่ชอบนุ่งขาวห่มขาวไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมอาจจะตื่นเช้ามากล้วตอนเข้าคอสแต่พอกลับมาบ้านก็หกโมงเชา้าถึงค่อยตืน่นแต่ว่าพวกนักธุรกิจเนี่ยพวกซ e o โอชื่อยางพูนีเขา หลายอย่างนี้ก็ททำเขามีวินัยยิ่งกว่านักปฏิบัติเขาอยู่บ้านนะแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะบังคับควบคุมตัวเองได้ส่วนักปฏิบัติทำก็จะตื่นเชา้าก็อย่างที่บอกนะแต่ตอนเมื่ออยู่วัดหรือเข้าคอร์สมีคนมาปฏิบัติเยอะๆกลับบ้านเมื่อไหร่ก็แล้วปล่อยตัวปล่อยใจเลย พวกนี้พวก c ี o โอพวกนี้เขาอย่างที่บอกนะชื่อเขานี่บางแง่บางมุมก็เหมือนกับทหารเลยมีวินหนมากตื่นเช้าแ ล, แล้วออกกำลังกายออกกำลังกายด้วยการวิ่งบ้างยกน้ำหนักบ้างขี่จั ก, กรยานบ้าง อันนี้มันเป็นค่านิยมของนักธุรกิจสมัยใหม่เป็นเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าร่างกายที่เข้มแข็งเนี่ยมันจะทำให้ทำงานได้ดีเพราะว่าวงการธุรกิจนี่มันต้องแข่งขันกันสูง บางทีต้องใช้กำลังความคิดมากอาจจะเกิดความเครียดไม่ใช่อาจจา ร, ริยเรื่องมีความเครียดสูงนั่นก็ต้องมีความทนความอึดตื่นแต่เช้าออกกาลังกายทำให้ร่างกายอึดร่างกายทนจิตใจเข้มแข็งสามารถที่จะจักทางานหนัก หรือว่าฟันเออ้าประสักต่างๆได้แล้วพวกนี้บางคนก็เรียกว่าเครืยวกคามตัวอย่างหนักนะแต่ก่อนถ้าถึงวันหยุดเนี่ยพวกนี้ก็นักท่รกเท่ก็อาจจะไปพักแถวชายหาดมาอาบแดดริม ริมทะเลในเกาะหรือว่าไปดูคอนเสิร์ตไปดูกีฬาเดือนนี้หลายคนว่าแที่ไปเที่ยวแบบนั้นก็ปีนเขาบ้างนะเรียกว่าแคมปิ้งกันในที่ที่มันทุรกันดา เี่ต้องใช้กำลังนะต้องใช้ความเพียรสูงมากบางทีก็ขี่จั ก, กรยานวิบากเนี่ยเป็นเวลาหลายวันแล้วก็ถือว่ายิ่งทาเนี่ยยิ่งแกร่งยิ่งแกร่งก็ทำให้ทำงานได้ดี บางทีเรานึกถึงคนพวกนี้เราก็นกเนราก็มองว่าเนี่พวกนี้เขามีความโลภนะที่เขาทำนี่ก็เพื่อความมั่งมีเอากำไรเป็นเป้าหมายของชีวิตเอากำไรเป็นเป้าหมายของการทำงานแต่ว่าในบางแง่เขาก็เรียกว่ามีความเพียรพยายามยิ่งกว่า นักปฏิบัติธรรมสินักปฏิบัติธรรมเราเวลาจะปฏิบัตกิก็อยากอยู่ในห้องแอร์เวลาจะไปปฏิบัติที่ไหนมันก็ขนเข้าของไปเยอะแยะตรงนี้มีการล่อ เ, เนี่ยขนกิเลสเพื่อ อำนวยความสะดวกสบายให้กับการกำจัด ก, กิเลสอยากกำจัด ก, กิเลสแล้วก็ขนกินเลสไปมากมายมันจะให้ปฏิบัตินะในที่โลงนะ่งมียุงก็ไม่ชอบแล้วรู้สึกว่ามันทุกข์มาก พาคนเดินจงกรมเท้าเปล่าคนก็บนกันมากเจ็บเท้ารวดแทงมดกัดน้ำทิ่ม <c oughs> ก็ทำท่าจะไม่สู้เลยต้องขู่ว่าเนี่ย นาคตนี่จะต้องเจอนักกา น, นี้อีกร้อยพันหมื่นเท่าเวลาป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยยาเอาไม่อยู่จะทำยังไงขนาดมดกัดก็บ่นกันแล้วไม่สู้แล้วยอมแพ้แล้วอย่างนี้พอเป็นมะเร็งเจอทุกนเวทนาเกิดมากๆที่เราจะ จะไปสงบจะตายดีหรือไปสุขติได้ยังไงเนะี่คือมาถ้าเทียบเอานักปฏิบัติธรรมแบบนี้ไปเปรียบกับพวกนักธุรกิจนะมันต่างกันไกลมากนะนักธุรกิจนี่ถึงแม้เราจะหมอว่าเขานี่ เอาเงินเป็นเป้าหมายชีวิตนี้แต่ว่าในเรื่องของความเพียรพยายามในเรื่องการฝึกฝนพัฒนาตนนี่เขาก็เครียดกรัมมากตั้งตื่นเช้าออกกำลังกายทำงานหนักบางทีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็นอนดึกนะนอนดึก กาอาจจะนอนดึกกว่านักปฏิบัติธรรมนจำนวนมากเลยอันนี้เราจะมอว่าเขาทำทัมม้งหมดนี้เขาทำด้วยการมีความโลภหรือตัณหาเป็นแรงจูงใจแต่ว่าไอ้สิ่งที่ปรากฏออกมาเป็น การใช้ชีวิตทำไมมันถึง เ, เข้มงวดนะยิ่งกว่าคนที่อ้างว่าเรามีนิพพานเป็นเป้าหมายชีวิตทำไมถึงเข้มงวดมากกว่าคนที่คิดว่านะพรหมจารเป็นสิ่งที่ดี การขัดเกลจิตใจการขูดกิเลสเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นประดมคติของชีวิตนพนี้ก็นักเรกิจคนี้ก็เรียกว่ามีอะไรหลายอย่างให้เราเรียนรู้ได้มากอังจะไปดูถูกก็ไม่ได้บางทีก็สามารถเป็นแบบอย่างได้ ในด้านที่ไม่น่าเอาแบบไม่น่าออกอย่างก็มีเยอะเหมือนกันนะอย่างเช่นพวกนี้เนี่ยเวลาตื่นเช้าขึ้นมาออกกำลังกายเขาก็ไม่ได้แค่ออกกาลังกา ย, ยาเดียวนะอย่างซีโอของดิสนีย์เขาบอกเนี่ยเวลากี่จักรยานเนี่ย ก็รู้จักรยานประเภทจักรยานขี่ปั่นกับที่หรือว่าจักรยานปกติธรรมดาเวลาขี่จักรยานเาก็จะก็จะเช็คเมลด้วรยแล้วก็ท่องเว็บท่องเน็ตรวมทั้งดูโทรชัดบ้างอันนี้ไม่นับการฟังเพลงนะฟังเพลงตลอดเวลา เปิดเพลงฟังเพลงขณะที่ที่ออกกำลังกายขี่จักรยานนี่ก็ก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่นี่ตายัางเช็คเม ล, ลท่องเน็ตท่องเว็บเปิดดูตามเว็บต่างๆติดตามข่าวสารแล้วก็ดูโทรทัดด้วยทำไรได้อย่างาพร้อมกัน เพราะว่าพวกนี้เขามีเข้าสจว่าเวลามีน้อยเวลามีน้อยต้องแข่งกับเวลาเวลาเป็นเงินเป็นทองจึงต้องทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันจะเอาชนะคนอื่นได้เนี่ยก็ต้องทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะจึงจะมีเวลาเหลือสำหรับไปทำอย่างอื่น อย่ามีเวลามากกว่าคนอื่นว่าชาฉชนะหรือความสำเร็จก็คือว่าเรามีเวลามากกว่าคนอื่นเพื่อเอาเวลานั้ น, นไปคิดค้นงานไปวางแผน้การทำอะไรอย่างพร้อมกับวันนี้มันก็ไม่ใช่ดีนะ ดูเหมือนดีแต่มันไม่ดีมันทำให้ฟุง้งซ่านมันทำให้ใจมีสมาธิน้อยลงแล้วทำให้เหนื่อยล้าได้ง่ายคนละพอจดจ่ออยู่กับอะไรสักอย่างและทำไปประเดี๋ยวเดียวเดียวก็ข้ามไปอีกอันนึง ระหว่างนี้เช็คเมลเช็คเมลปุบเดี๋ยวไปเปิดเว็บหน่อยก็เปิดกำลังเปิดเว็บอยู่มีข่าวโทรทัศน์ข่าว c ี n เข่าวด่วนมาใจก็บีที่โทรทัศน์ดูโทรทัศน์พักกลับมาเช็คเมลต่อไอทาแบบเนี้ยนะบ่อยๆนี่มันจะกลายปเป็นพวกไม่มีสมาธิไม่สามารถตัดจ อ, อ ไ, ได้นาน และการที่ใช้งานเนี่ยจิตใจแบบ น, นั้นมันทำให้เครียดง่ายล้างง่ายและต่อไปนี่มันกลายเป็นนิสัยที่ทำให้ชอบคิดฟุ้งปรุงแต่งไปเรื่อ ย, อยการใช้ความคิดแบบนี้มันทำให้ความคิดเนี่ยมัน ทำงานจนหยุดไม่ได้ถึงเวลาจะนอนกอน็มันก็นอนไม่หลับเพราะมันคิดไม่หยุดนะมันจะดีกว่าถ้าใครที่ขี่จักรยานโอเคฟังเพลงไปด้วยแต่ว่าก็ให้มีสมาธิทกี่ยวกับการขี่จักรยานหรือการออกกำลังกายระหว่างที่ออกกำลังกายก็มีความรู้สึกตัวไปด้วย นือ่อาจจะเป็นโยคะไทกเก็กนะหรือว่าวิ่งจ็อกกิ้งแม้แต่การออกกำลังกายไปแล้วฟังเทปธรรมะ ย, ยังไม่ค่อยอยากสนับสนุนเลยเพราะว่ามันไม่ได้ฝึกสติหรือฝึกความรู้สึกตัวเท่าไหร่ถา้าฟังเทพธรรมะก็ฟังไปเลยนั่งฟังเลยใจก็พิจารณาตาม แต่ก็อย่าไปให้ใจลืมตัวจนลืมว่ากำลังอยู่ไหนมี ใ, นใจมปอยู่กับเสียงบรรยายจนลืมตัวก็มีมันใจก็คิดไปตามคำบรรยายแต่ก็ลืมกายแล้วทำอะไรก็อย่าลืมตัวและพื้นฐานของการไม่ลืมตัวคือการรู้กาย รู้ว่ากายอยู่ไหนกำลังทำอะไรไม่มว่าจขี่จักรยานออกกำลังกายหรือบินธบากก็ตามเนี่ยเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเราก็มีความสุกตัวทำความสุกตัวขณะที่เดิ น, นาดออการอ่กํำลังกายแน่นอนนะมันเวลาเวลา ออกกำลังกายหรือว่าบินธบานก็เห็นน้นเห็นนี่ใจก็จะท่งออกนอกหรือว่าคิดปรุงคิดฟุ้งไปแต่พอเรามีสติรู้ตัวก็กลับมาพาใจมาอยู่กับกายอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา ทำอะไรก็ให้รู้ตัวจะทำกิจการต้องทำทีละอย่างทีละอย่างนะไม่ใช่ทำหลายอย่างพร้อมๆกันทำหลายอย่างพร้อมกันก็ดูเหมือนว่าเป็นการใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพทำทีเดียวเสร็จหลายอย่างแต่ว่างาจะไม่ดีก็ได้ คุณภาพก็ไม่ดีถ้ากับการที่เรามีจดจอ่อเป็นสมาธิอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งงานไม่ดีแล้วใจก็ยังเครียดด้วยแต่ก่อนฝรั่งก็มาส่งเสริมเรื่องการทำหลายอย่างพร้อมๆกันแต่เดี๋ยวนี้เขาก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ต้องกลับมาทำทีไรอย่าง เมื่อกินข้าวเนี่ยเรากินกข้าวกินกข้าวทีละคำเวลาเดินก็เดินทีละก้าวเดินทีละก้าวกินกข้าวทีละคำแล้วก็ทำทีละอยางอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆของความสําเร็จนะงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขสุขในที่นี้คือสุขใจเพราะว่าไม่เครียดผ่อน ไม่ไม่ฟุงนะ้งรู้สึกผ่อนคลายเดี๋ยวนี้นะเขาพบว่าแม้กระทั่งในแวบดบวงทุรกิก็พบว่าเนี่ยการทำอะไ ร, ร อ, อย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยมัน พูดถึงคุณภาพของงานในเวลาที่เท่ากันแล้วก็ก็ไม่ดีเท่ากับการที่ทำทีษฎีอย่างมันกว่าก็จะสูบ ข, ข้อนี้มาได้นี้ก็สัมภาษณ์สอบถามวิจัยใช้เวลาเป็นปีๆสอบถามคนหลายพันคนติดตามนะสิ่งที่คนเหล่านี้ทำก็เพราะว่าทำทฤษีอย่างที่ดีกว่า ที่จิงมก็เป็นเรื่องพื้นๆเป็นเรื่องสามัญสำนึกอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเอาเอาเยี่ยงอย่างจากพวกนักธุรกิจเียวลาทำอะไรก็ทำอย่างมีสติทำด้วยความรู้สึกตัวทำทีละอย่าง แต่ว่าในเรื่องของความความเพียรพยายามนะเรื่องการพยายามที่จะเคี่ยวกรลมตนเองเช่นตื่นเช้าตื่นเช้ามาก็ไม่ได้นอนแช่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่ร่างกายมันไม่อยากทําก็คือออกกำลังกายทําในสิ่งที่ใจมันก็ไม่อยากทําเหมือนกันก็คือการนะพยายามเชี่ยวเข็มตนเองให้ ให้มีความกระฉับกระเฉงตื่นตัวจากที่จะตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่งแช่เปิดโทรทัศน์ฟังเพลงหรือว่าเล่นลายเล่นเฟซนะต้องเขี่ยวเขยนตัวออกไปออกไปข้างนอกนะวิ่งขียจกรยานมันก็เป็นการฝืนนะทั้งกายและใจ ก็เป็นการฝืนกิเลสนั่นแหละแล้วก็กทำหน้าทำแบบเพว่าไม่ต้องมีใครมาสั่งไม่ต้องมีคอสทำคนเดียวนะอาศัยวินยัยอาศัยใจนะที่มันมีความมุ่งมั่นและพวกนี้เดี๋ยวนี้บุหรี่ก็ไม่สูบนะเหล้าก็ไม่ค่อยแตะเท่าไหร่ กินอาหารสุขภาพมันกลายเป็นค่านิยมของคนพวกนี้ไปแล้วหลายคนก็กินกินมังสวิรัติเาช่วยเขานี่เรียกว่ามีวินัยมากพวกนักธุรกิจพวกนี้พยายา ม, มาระมัดระวังเรื่องสุขภาพหลายคนก็าหันมาสนใจทำสมาธินะนสมาธินี่ เดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นเรื่องที่นิยมทำกันคือบางพวกเนี่ยนะก็ออกไปทางด้านออกออกไปทางด้านการออกกำลังกายในเรื่องการฝึกกายเข้มแข็งก็ถือว่าเป็นการฝึกจิตไปในตัวแต่อีกพวกหนึ่งก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็มานั่งสมาธิ ที่ชาร์เกี ย, น, ยนักสแสดงเนี่ยโอสมัยที่เขายังหนุ่มๆ น, นี่เขานั่งสมาธิวันละสองชั่วโมงเนี่ยทั้งที่งานก็เยอะสมัยยังหนุ่มๆ น, นี่เขาเป็นดาราที่มีชื่อเสียงงานเยอะแต่ก็มีเวลานั่งสมาธิพวกนี้คงจะออกกำลังกายด้วยหลายคนก็ดื่มบาเสาวิตรส ในแง่ของวินัยการใช้ชีวิตนี่พวกนี้มีสูงมากาอาจจะมากกว่านักปฏิบัติธรรมอีกในเมืองไทยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะได้เรียนรู้จากพวกนี้นะถึงแม้ว่าชีวิตของเขาหรือวัตถุ ม, มาของชีวิของเขาเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องของวัตถุนิยมเอาเงินเป็นเป้าหมายเอาความสำเร็จเป็นจุดหมายซึ่งเป็นเรื่องที่มันฉาบฉวย ไม่เหมือนการที่เอาพระนิพพานเป็นเป้าหมายเป็นเรื่องสูงสงมากแต่ว่าคนที่เอาพระนิพพานเป็นเป้าหมายนะจำนวนไม่น้อยก็เหยาะแหยนะ่ไม่ค่อยมีความตั้งใจที่จะฝึกฝนตนเองเท่าไหรนะ่ตื่นก็สายนะแล้วก็ไม่ค่อยอดทนไม่ค่อยมีความเพียร ย่อท้อต่อความยอดลำบากตอนนี้มันก็เรียกว่าถ้าเป็นี้ก็จะเล่าไปดูถูกเขาไม่ได้นะพวกนักธุรกิจเนี่ยจุดหมายชีวิตเจะสาบช่วยตื้นเขินนะแต่ว่าเขาก็ามีอะไรหละอย่างที่ที่ดีกว่านะที่น่าชื่นชมได้มากกว่า ถ้าเรามองคนพยายามศึกษาเรียนรู้จากผู้คนมากมายเนี่ยแม้กระทั่งคนที่เป็นนักธุรกิจเหล่านี้ก็มีอะไรให้เราได้เรียนรู้หรือว่าได้กระตุ้นเตือนให้เราตื่นตัวได้มากทีเดียวอ่ะใช้พูดกันตรงนี้นะอากาศ